بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلمو على أشرف الأولين الآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسان إلى الدين ثم ما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركات. ه و ื่อ ا ัปดาห ي ل ีครับ ได้อธิบายจำพวกที่มีสรับสาักระในอายะที่หกสิบมีพี่น้องที่ไม่ได้หลับนะ่ในเตือนในเตือนว่าใชข้ามไปจำพวกหนึ่งหรือเปล่าคือควารู้สึกลึกๆเนี่ยว่าเออแต่มันจบมันจบเร็วเพราะตั้งใจว่ามันจะไม่น่าจะพอพอมันพพี่น้องทักม า, าเออใช่ก็มันมีจำพวกหนึง่งผมกะว่าคราวนี้เนี่ยก็จะ เป็นการทิ้งท้ายและก็สรุปสรุปเรื่องสการโดยรวมแต่จำพวกที่เราได้พลาดไปไม่ได้อธิบายนี่มันก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสรุปสรุปเรื่องเรื่องสกา์ให้พวกเราได้เข้าใจในประเด็นสำคัญที่จะมีผลใช้ในชีวิตปัจจุบันในสังคมสังคมปัจจุบัน จำพวกที it, mm ่เราไม่ได <clapping> ้อธ <s in> <face> no na ิบายที่พลาดไปนี่ก็คืออัลลอฮดีมีดซึ่งอยู่ในจําพวกใท้ายที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ในข้อสิบเนี่ยอันมัสัตดะกาตุบอกแล้วว่าสัตดะกาตุนี่คอานทั้งหนึ่งสัตดะา็ส่วนมากนี่ก็คือเรื่องสกาดก็คือสัตะกวาจิบะการบริจาคที่เป็นวาจิบและการบริจาคที่เป็นวาจิบเรื่องนี้ก็คือสกัดสกัดทรัพยสินกันหลาย ส่วนสตรคอที่ไม่ช่วาจิบนี่คือสตรคอที่เป็นซุนนะสตรคออาสานิอันนี้มันก็อยู่ในคำว่าสระคอโดยโดยปริยายนะแต่อาย่านี้โดยเฉพาะอาย่านี้นะสตระค้อตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องสกัดฉะนั้นก็จะไม่เอาอาย่านี้เนี่ยมาตีความทุกสตรคอที่เราจ่ายส่วนสรคออาสาอ๋อแต่ต้องไปดําพวกว่าไงสตรคอสตรคออาสานี่คนรวยก็ให้ได้ ไม่ใช่คนยากจนก็ให้ได้ลิลฟุกรออีัลมาสากินก็เป็นจำพวกสองจำพวกนี้เป็นจำพวกที่ที่ยากจนขัดสนความหมายที่อุลมามะได้มีความเห็นที่แตกต่างกันว่าเป็นประเภทเดียวกันหรือเป็นคนละประเภทสรุปว่ามันกันคนละประเภทแต่อยู่ที่ความเข้มข้นของความขัดสน แต่ละคนศาสะนาอุลามาส่วนมากบอกว่าฟุกอรน์นี่ฟักตี้นี่ก็คือคนที่ขัดสนแบบเข้มข้นคือจนที่สุดมิสกีนี่ก็คือจนแต่ไม่ได้จนมากกล่าวคือมีรายได้แต่มันไม่เพียงพอนี่ศนะที่มีน้าหนักมากกว่าเวลามิลีนอะไรฮะก็คือคนที่ราาักษาทําหน้าที่ เก็บสกาแล้วก็จ่ายสกาดแจกจ่ายสกาดวัลมูอละเฟติโกลูบูมก็คือคนที่หัวใจของเขายังไม่สนิทสนุนกับอิสลามแล้วเราต้องการให้เขาได้สนิทสนุนก็สรุปแล้วสำหรับมูอันลับนี่ประเด็นสําคัญนะก็คือเขายังไม่สนิทสนุนนะถ้าสนิทสนุนเรียกว่ามวอัลับไหมใมีพี่น้อง ที่รับอิสลามมาสาสิบปีแล้วมาแนะนําตัวอบอบกว่าเชฟผมเป็นมูฮัมหมัดมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนผมมามาแรกๆเลยนะครับผมตอนนั้นอายุกันสามสิบกว่าเชฟผมเป็นมูฮัมหมัดมาสี่สิบปีแล้วผมมูฮัมลัดกว่าผมนี่มูฮัลลัดกว่าสาสิบปีนี่คงเข้มเข้มแข็งเพราะการนั่งสหะบะ ที ن ن ا ا ่รับอิสลามตั้งแต่ท่านตั้งแต่ท่านนบีเทศนาน่ยจนท่านนบีเสียชีวิตเนี่ย23ปีแสดงว่าสหายนี่เป็นมูอัลลับ23ปีแ้เชนไหนจะเป็นมูอัลลับ30ปีโอ้นี่ยิ่งกว่าสหายนานกว่าสหายเสนอเสนอมแล้วไม่ไม่เรียกว่ามอัลลัอล่าาจะลวมอัลลันมามอัลลัสนสนอเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่า ม, มันเป็นสำนวนในภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกด้วยความหวังความหวังว่าเขาจะเป็นมูอัลลัฟจะเป็นคนที่สนิทสนมแต่ในฐ า, านะที่เขาจะรับสการได้นี่เขายัางไม่สนิทสนมเขายัางไม่สนิทสนมจึงมีสิทธิ์ที่จะรับสการเพราะฉะนั้นอุลามาบางท่านบอกว่าคนที่เป็นม لم, ุสลิมโดยกําเนิดแต่ไม่ถูกล้างสมอง จนกว่ารักษาศาสนาอหมัมเขารักษาศาสนาแล้วก allora ็คิดจะออกจากอิสลามคนเนี้ยมูอัลลัฟเออนี่คนเยอะนะไม่ร <Romans Leonard> ู้นะวะมุสลิมโดยกําเนิดนี่มีมูอัลลัฟด้วยมุสลิมโดยกําเนิดนะมีมุอัลลัฟด้วยก็คือเกิดมาเป็นมุสลิมปูญ่าแต่เป็นมุสลิมแต่อยู่ไปอยู่มาอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมจนหัวใจของเขาหนุกหวยละเฮ้ยกุณอ่านนี่มันจริงหรือเปล่าแล้วก็กลัวจะจะหลุดเนี่ยนั่นอะเป็นมูอัลลัฟละ เราต้องดึงดูดดึงเข้ามาเข้าใจอิสลามมาสนิทสนมก็เห็นว่วตอนนี้นี่มีเยอะด้วยโดยเฉพาะในนยเยาวชนที่ชอบไปอ่านหนังสือหนังสือทางปัจชาดูภาพยนตร์ดูละครซีรีส์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่น่ากลัวมากที่สุดมากที่สุด นักศึกษาและนักวิชาการศาสนาที่ชอบอ่านหนังสือปภาษาและกัพยายามที่จะลึกซึ้งกับเรื่องปภาชาอันนี้น่ากลัวมากที่สุดเพราะบรรปายหลายคนประเภทนี้นักวิชาการนักกชาารนะผมพูดถึงนักวิชาการนะตกศาสนาไปเลยแล้วผมเคยเล่าให้พี่น้องฟัง อุทา่าของอุลมามะดีซาอุดีชีชีฮัดอับดุลลาห์อัลกัซิมีชีอับดุลลาห์อัลกัซิมีเป็นรุ่นเชิดบิมบาสเลยนะรุ่นเชิดบิมบาสเลยและระดับอาจารย์ของบิมบาสทั้งหลายเนี่ยอุลมามะซาอุดีที่ไม่ใช่ว่าชื่นชมเขานี่ว่าคนนี้เนี่ยได้เขียนหนังสือในเรื่องอาคีดะที่แม่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของ บรรดาธรรมราของอาคิตเขาเกียนหนังสือหลายเล่มนะอายุยังไม่สามสิบสองเลยเป็นอุลมาที่ชี่ยวชัดมากบันปลายชีวิตเขาเนี่ยหนีไปอยู่อียิปต์เพราะแกประกาศว่าไม่มีศาสนาลประกาศตัวว่ไม่นับถือศาสนาเลยเลยแล้วผมได้มีโอกาสนั่งรถกับผู้รู้ชาวสุดานท่านหนึง่ง เร่งนี้ประมาณสี่สิบกวีที่อบผมนั่งกับอาจารย์ของผมนี่แล้วก็อุลมาสุดานก็นั่งอยู่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมรู้จักอับดุลลอฮ์กัซีมีรู้ว่าเอเขาเป็นไครอุลมาสุดานคนนี้บอกว่าบอกกับอาจารย์ผมจอสะพานสะพานข้ามแม่น้ำนายน่ะการสะพานเลบเกวจอดแป๊บนึงพึ่งนี้ี่บ้านอับดุลลอฮ์กซีมีอยู่ตรงนี้ อาจารย์ผมแล้ะไปยุ่งอะไรับดุลละกเกษมบอกว่าอยากจะไปเยี่ยมเพื่อเพื่อว่าเขาจะแล้วเขารีบลงแล้วก็ไปผมก็ถามอาจารย์ผมเนี่ยใครอะอัมดุลลกโอ้ยเกินเราอัมดุลลกเกษมเอาล้อก็ผมก็ถามแล้วทําไมเขาทําไมเขาตกศาสนาง่ายแบบนี้ม อ, ออกเถอศาสนาง่ายอย่างเนี้ยเขาบอกว่าสองเรื่องเรื่องแรกเนี่ย เขามีเขามีนิสัยเชื่อมั่นในตัวเองมากแล้วก็ปรากฏเขาเคยแต่งกลอนหลายบทเนี่ยแสดงความน้อยใจว่าผู้รู้ในยุคยุคของเขาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของเขาไม่เห็นคนรุ่นเดียวเขาก็เลยเสนอิษฐานในวันนี้นิสัยนี้ในที่อาจจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกน้อยใจ และคนที่รู้สึกน้อยใจในการชื่นชมของคนอื่นเนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงมากต่ออิบาดะต่อศาสนาเขาดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อเขาทำเพรเขาเขารอเขารอรอฟีดแบครอรอสะท้อนเน่ยรอออะไรที่สะท้อนเนี่ะพอไม่สะท้อนเนี่ยเพไม่สะท้อนนี่ เรื่องที่สองก็คือเขาชอบอ่านหนังสือตอนนี้เขายังเข้มแข็งนะเขาชอบอ่านหนังสือปรัชญาชอบอ่านหนังสือเยพวกนกะพกปราที่พูดเรงฟิลโซฟีเรื่องเรื่องความเป็นมาของพระเจ้ามีพระเจ้ามีไม่มีพระเจ้าอชอบอ่านเยอจนอาจจะเกิดข้อสงสัยในหัวใจ บางอย่างที่ไม่สามารถหาคําตอบได้แล้วข้อสงสัยนี่มันเติบโตโอลมาเขาบอกว่าอย่าลืมโอ้ใจของเขานี่มันเหมือนฟองน้ําหัวใจของเราน่ย น, น, น, นะเหมือนฟองน้ําฟองน้ํามันทําอะไรมันมันซับเนยมันซับซับซับบบบบจนจนเต็มและไม่สามารถที่จะเป็นฟองน้ํา มีลักษณะที่ฟูอีกทีหนึ่งจนหมดต้องต้งโดนตุ้นโ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดนบีบต้นบีบให้เก้าน้ํานี่ออกจะทุกส่วนของนนําหัวใจของเราเนี่ก็เป็ น, น, น, ร เ, นเรื่องนี้เ่องนัชบุญฮะในเรื่องเรื่อ ง, งข้อสงสัยต่างๆอย่าคิดว่าเราได้ฟังเราได้เห็นช่วยในบางทีดูหนังดูละคร อ, อ่านหนังสือแล้วไม่ระ ว, วัดระวังเนี่ยแล้วก็คิดว่าแค่เล่นเล่นเด็กๆด็กในบางทีนี่ยก็เล่ น, นเกมเล่ น, นเล่น ที่จริงในบางทีเนี่ยอคนที่ออกแบบเกมให้เด็กเล่นเนี่ยมันมีมันมีอะไรที่แฝงอยู่ในเกมแฝงอยู่ในในนิทานอ่านไปอ่านมาเนี่ยไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในสมองนั่นนะ่ะมันซับมันซับเข้าไปข้งใ น, นพอจนหัวใจมันเต็มไปด้วยข้อสงสัยต่างๆนั่นนะคือจุด ร, ระเบิดหัวใจเต็ม สิ um, ่งท enfin ี Dan ่อ in ันตรายมาคนเหล่านี้เนี่ยเนี่ยเยาวชนแบบนี้ทั้งทั้งดีโดยกําเนิดนี่เป็นมุสลิมแล้ะผมได้เคยรู้จักผู้รู้ที่ตกใจตกอกตกใจนึ่งจังว่าลูกตัวเองแท้ๆเลยก็ไปอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่กับไอ้กลุ่มชุมร่มพวกที่ไม่มีศาสนาอะไรก็พาไปฟังบรรยายพวกไรศาสนาเนี่ยจนก็ะทั่งลูกเข้าแท้ๆเลยเนี่ย มานั่งเถียงกับพ่อเขาที่เป็นเป็นผูนน้รู้แล้วเขาเลี้ยงลูกมาโดยตลอดเลี้ยงหอสีเรียงกุรอ่านสอนกุาลสอนศาสนามาโดยตลอดแต่พอไปอยู่กับพวกที่มีมีความคิดแบบนี้เนี่ยกลับมาเถียงพ่อเรื่องาการมีพระเจ้าไม่มีพระเจา้านี่ที่ผมบอกว่าบางทีมุสลิมแท้ๆเนี่ยก็อาจจะบันไปชีวิตเนี่ยก็กลายมีลักษณะเหมือนเป็นมวลละ คือเป็นคนที่หัวใจหัวใจไม่สนิทสนุมกับอิสลามแล้วแล้วต้องการที่จะดึงเข้ามาสนิทสนุมกับอิสลามอีกทีหนึน่งว่าฟิริควิคือพวกทาสหรือนักโทษแล้วก็อธิบายว่าฟิซบีลละในหนทางอัลลอฮ์นี่ก็คือการทาจิฮาดและทุกกิจกรรมในหนทางอัลลอฮ์ที่เป็นประโยชน์สําหรับสังคมในฟิสวิลละเนี่ยอธิบายไปแล้วอย่างละเอียดนะ ปัญิสสบีลิและคนที่หลงทางและไม่มีปัจจัยในการที่จะเดินทางกลับบ้านวัลการิมีนวัลการิมีนอันนี้ที่เราที่เราไม่ได้อธิบายนะแอลการิมีนเป็นบระผู้พัดการิมีนเอกพจน์นี่ก็คือการิมรากศัพท์ของมันเนี่ยก็คือกรามกรามเนี่ย ในภาษาเรามีสความหมายความหม่แรกก็คือเสียหายแความหมายหนึ่งก็คือความรักกรมความรักในความหมายหนึ่งกระรอมเเสียหายูดว่าร อินน้าะบอกเหรอแนั่งแท้จริงการลงโทษของนรกเนี่ยแกนักราแมมันเป็นเสียหายใครคนทีนึกต้นอายันี่ลืมต้นอายะรรามาเสียหายอรรมันตรงนี้เนี่ยหัริมก็มาจาการอมนี้ไปว่าเสียหายคนที่ประสบกับความเสียหายคนที่ประสบกับความเสียหายนี่ มีอยู่สองประเภทประเภทแรกความเสียหายที่เกิดกับตัวเองซึ่งความเสียหายที่เกิดกับตัวเองนั้นแม้ว่าจะเป็นความเสียหายในในส่วนร่างกายหรือวนในส่วนทรัพย์สินอุลมะส่วนวัตถุทีความเนี่ยเสียหายกับตัวเองเนี่ยในด้านทรัพย์สินนี क क ่ก็คือคนที่เอ่อคนที่มีหนี้สิน แล้วก็ไม่สามารถใช้นิสินตัวเองได้แต่คนไม่มีเลยหมาถึงว่ายากจนนี่ก็ยากจนคนไม่มีเลยไม่ใช่ไม่มีไม่มีเลยอันนั้นก็ปอยู่ในจาพวกอื่นแต่คนนี้นก็มีและรายได้ของเขาเนี่ยจะต้องไปใช้นี่จึงเกิดความเสียหายว่าเขาเนี่ยไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเองหรือจะใช้ปัจจัยที่จะ เลี้ยงดูแลตัวเองและคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวเองนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเองและไรในที่ไปที่มาที่คนส่วนมากเนี่ยก็จะเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นหนี้สินเนี่ยมีสิทรับสกัดซึ่งไม่ใช่น่ะไม่ใช่น่ะแม่งั้นอายุกคนนี้เนี่ยก็มีสิทรับสกัดเพราะเาเป็นหนี้เหมือนกันไม่ใช่น่ะไม่อยู่ทุกคนที่เป็นหนี้นี่มีสิทรับสกัดนะ คือต้องเป็นหนี้สินแล้วก็ไม่มีไม่มีทรัพย์แล้วไม่มีทรัพย์สินแล้วที่จะมาหล่อเลี้ยงตัวเองหล่อเลี้ยงครอบครัวของตัวเองนะแล้วหนี้นี่ก็ยังก็ยังต้องใช้อยู่แเราลมาได้เพิ่มอีกเนื่อไขนึงหนี้สินนี้ต้องเป็นหนี้สินที่มีความชอบอ่าไปยืมหนี้ทาธุรกิจไปยืมหนี้จะได้รักษาตัวเองไปยืมหนี้ทุนการศึกษาลูกไปยืมหนี้จะได้ ซื้อรถทำมาหากินเนี่ยนี่ที่มีความชอบแต่ไปเลี้ยงการผ่านทา น, นออนไลน์เป็นนี่แล้วก็มาบอกกับชาวบ้านนะผมเป็นนี่ผมเป็นนี่นนนนนขอสกัดใช้นี่ไม่ได้ทําไมอ่ะนี้เนี่ยไม่มีความชอบรวมถึงคนที่เป็นนี่นอกระบบเลยนี่ที่มีดอกเบีย้ยเพราะเป็นนี่ที่ไม่มีความชอบ ซึ่งเรื่องนี้ผู้รู้ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ขัดแย้งกันว่าคนที่ไปยืมนี่ตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าเขาเอามาใช้ตังเนี่ยในสิ่งที่มันมีความชอบเอายืมนี่มาทํามาหากินอย่างนี้แต่ไปกู้นอกระบบอุลามากลมหนึบอกว่าไอ้ที่มันไม่มีความชอบเนี่ยเพราะมันมีดอกเบีย้ยทุกหนี้มีดอกเบี้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีความชอบที่ไม่ถูกต้องเนี่ย ยุ่งกับดอกเบียก็แสดงว่าไม่มีความชอบไม่ควรที่จะสนับสนุนสนับสนุนด้วยเงินสากาดแล้วมันจะเป็นการเปิดประตูให้ทุกคนที่มีไปกู้หนี้ดอกเบี้ยแล้วก็ใช้ใช้หนี้ถึงแม้ว่าหนี้มีเขาจำเป็นต้องใช้จริงๆกันนะแต่ก็ไปกู้ดอกเบี้ยแล้วจะมาเขาจะมาขอสากาดมันก็จะมันก็จะกว้างขวางมาก สำหรับกลุ่มหรือจำพวกนี้อีกกลุ่มนึ่งบอกว่าถ้าเขาไปไปกู้ไปกู้เงินในแนวทางที่มีความชอบหมายถึงเขาเดือดร้อนจริงแล้วก็ไม่มีแหล่งไรายได้อื่นที่จะช่วยวิกฤตของเขานอกจากต้องไปกู้เงินดอกเบีย้ยอันนี้นีม่มีความชอบเขาไปบาปในเฉพาะเรื่องดอกเบีย้ย ฝั่งนู้นก็เลยตั้งคำถามเอาแล้วก็สมควรไหมที่จะเอาอากาศเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องเป็นอิบาดะของของคนที่เขาออกอากาศเนี่ยเอามาปะดอกเบี้ยซึ่งมันเป็นการประกาศทำสงครามกองเรามันเหมาะสมไหมกลุ่มนี้เขาก็ตอบไปเรื่องนี้เขาฟัดกันแรงกันกลุ่มนี้ก็บอกว่าเอา้าก็อากาศนี่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นถ้าตั้งเงื่อนไขกับเขาอะ ให้เขาเติมบา ต, ตัวจากเรื่องดอกเบีย้ยใช้หนี่ให้เขาแล้วเขาจะได้ไม่ยุ่งกับเรื่องดอกเบีย้ยแล้วมันเป็นประโยชน์ไหมละ่ะสกาดนี่มันสร้างมันช่วยเหลือแล้วก็สร้างคนดีในสังคมไมไหมละ่ะเขาก็บอกว่ามันก็ใช่แต่ประเด็นที่มันยังยังไม่ยอมกันก็คือเอาเงินสกาดนี่มาโปดอกเบีย้ยซึ่งเรื่องนี้ บอกพี่น้องตรงๆว่ามันเป็นเรื่องที่คนน่อนโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยในสังคมมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากุ้มใจมากเพราะเราได้ผ่านยุคหนึ่งผู้รู้ไม่เคยพูดเรื่องเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยไม่เคยพูดจนกระทั่งการกู้เงินดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องว่าล่ลสาหรับมุสลิมสำหรับชาวบ้านมุสลิมทั่วไปเเรื่องว่าลลเล สร้างบ้านกับคู่ดอกเบีย้ยจะซื้อรถกับคู่ดอกเบีย้ยเออะอะไรนี่ก็คดอกเบีย้ยหมดนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องื่ออื่นที่มันมีชุมพัดเรงดอกเบีย้ยแล้วก็เรื่องการพนันนการไปประกันประกันอะไรต่างๆนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันผู้รู้ไม่ได้พูดชาวบ้านก็เลยไปเกี่ยวพันกับเรื่องนี้มาโดยตลอดยิ่งมันเป็นมันเป็นบริบทของสังคมไทย สังคมไทยนี่คนเนี่ยไม่ดีอยู่ไม่ดํารงชีวิตด้วยเงินเดือนด้วยอะไรได้นะดูนักธุรกิจนักธุรกิจทั้งหลายนี่ที่อยู่ได้ในเพราะอะไรเงินกู้อย่าชาวบ้านก็เหมือนกันอยู่ได้ในเพราะอะไรเพราะเงินกู้เป็นวัตจักรที่มันที่มันหมุนเวียนอย่างงี้มาโดยตลอดเงินเดือนนี่มันหมดวันที่ห้าแล้วก็อยู่ได้ไงไล้กูไ แล้พอได้เงินเดือนเดือนถัดไปเนี่ยก็ไปใช้ไปใช้เงินกู้ของเก่าแล้วก็กู้ใหม่แล้วรัฐบาลเป็นยังไงก็แบบนี้เหมือนกันรัฐบาลทั่วโลกนะเป็นแบบนี้เหมือนกันใช้เงินกู้เอาแล้วก็งบ ป, ประมาณของใหม่เนี่ยก็กูใก้ใหม่กู้ใหม่กู้ใหม่จนกระทั่งรายได้ของประเทศชาติเนี่ยมันไม่พอที่จะไปไปไปใช้เงินกู้นะล้มละลาย อันนนะระดับรบาลคนก็เป็นแบบนี้เงินเดือนของเงินเดือนของตัวเองนี่ไม่เหลือพอทั้งหมดนี่ก็ต้องไปต้องไปใช้ต้องไปใช้เงินกู้แล้วมันไม่เหลือที่จะมาหล่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของตัวเองอันนล้มละลายล้มละลายสังคมมุสลิมเป็นแบบนี้เยอะไหมโอ้ยเยอะ ม, มากเยอะ ม, มาก ในเชิงปฏิบัติเนี่ยองค์กรที่จะมอบความช่วยเหลือสกาดเนี่ยควรที่จะพิจารณาเรื่องนี้ว่าถ้าจะให้สกาดกับคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเงินกู้ดอกเบี้ยคือมันต้องจบคือหมายถึงให้สกาดนี้แหละก็ต้องจบแต่ถ้าให้สกาดใช้แล้วก็เขาก็ไปกู้อีกหมายถึงว่า แกนิสัยไม่ได้เนี่ยไปโบนี่ของเขาแล้วนี่อ้าวเพราเรื่องนี้มันอยู่ในเลือดไงแล้วก็ไอ้นี่นอกระบบนี่มันง่ายง่ายกว่ากินน้ำเลยนะมาถึงหน้าบ้านเลยแต่แบบนี้เนี่ยไม่ควรที่จะให้สกัดเพราะมันจะไม่จบแล้วก็จะวนกันอย่างนี้วนอย่างนี้ตลอดและจะได้เป็นการอบรมคนในสังคมโดสังคมมุสลิมเนี่ยว่าจะต้อง ต้องห่างไกลไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องดอกเบีย้ยโดยเด็ดขาดระบบดอกเบีย้ยกับระบอบอากาศนี่มันคนละระบบกันมันเป็นระบบคืออิสลามนี่เอาอากาศเนี่ยจะได้มาช่วยเหลือคนอื่นไม่ต้องไปพึ่งพาเรื่องฮารอมเนี่ยแต่ดอกเบี้เนี่ยมันมาเสนอตัวเสนอตัวช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเงินง่ายเสนอตัว และสิ่งที่มาแข่งกับสกาดนีิสกาดนี่หายากกว่าจะได้คนดีให้สกาดแต่เงินดอกเบี้ยละ่ะง่ายนิดเดียวแข่งกันตรงนี้เ่ยแต่คนที่อยากจะได้ทั้งดอกเบี้ยแล้วกับสกาศนี่มันเท่ากับขมิ้นกับปูนอยู่กันไม่ได้ แล้ในสังคมที่เราใช้สากาัดนี่เป็นระบอบที่ดูแลสังคม嘛นะั้นสังคมนี่ก็ต้องต้องปราศจากดอกเบี้ยต้องหลีกอ้วหลีกตัวออกจากดอกเบี้ยนี่ประเภทแรกนะคือคนที่เสียหายความเสียหายนี่เกิดขึ้นกับตัวเองกับทรัพย์สินของตัวเองแต่บางทีเนี่ยความเสียหายมันไม่ได้เกิดขึ้นตัวตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายอะไรเลยแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับคนอื่น เช่นเอานคนนี้ทุกคนนี้จะจะตายแล้วต้องต้องช่วยเหลือเขาประสบอุบัติเหตุทั้งครอบครัวนี่ยกครอบครัวเนี่ยรถชนต้องรักษาเขาทุกใครขางผมคนนี้ก็ต้องกันสักหา้าแสนเนี่ยไปไปรักษาเขา้ขาหา้องผ่าตัดต้องห้าแสนว่าผมนี่ก็มีแค่ห้าแสานเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วตอนนั้นไม่คิดไงที่จะช่วยคนอื่นอย่างเดียว พอกลับบ้านเบียถามว่าเองซื้ออะไรกินมันไม่มีมาให้เขาไปหมดตั้งให้ไปหมดไปกดไปกดในแบงก์นี่ยไม่มีอันนี้เนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนอื่นนี่ท่านดาวิดสโลลลลอห์อะไรอยูซสลิมได้บอกไว้ในฮัตติสที่บันทึกโดยอิมามุสลิมเริ่มจากตรงนี้นะจากจากตรงนี้นะอันกบีซาตอิบนิลมุคอริกกบีซาตะนี่เป็น ص ح ا ب ะกบีซา ابن ا ل م خ ا ر ق ل د م مسلم قالت هن ا حملت حمالة حملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فيها لقوا ق ا ل ت ف ق ل النبي قال ي ب ق و ا ق ي م حتى تأتي نص ص د ق ت ا ق ي م ر أ ي و ن ي จนกระทั่ง زكاة. เขาจะส่ง زكاة มา .فإما أن نحملها وإما أن نعينك فيها.رؤعة أ. อาจจะแบก حارني แทน ه. ว่าอิห ม, มาหรือเราจะช่วยเหลือบางส่วนหน่วยนั่นะก็ฟีหภาระที่ท่านแบกมาเนี่ยภาระนี่ก็ภาระส่วนรวมของสังคมไม่ใช่ภาระของคือคนอื่นเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาก็ไปช่วยเหลือเขาซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเขามันมันอาจจะเป็นหน้าที่ของส่วนรวมแต่เขาแบกภาระแทนอันนี้เขามาขอความช่วยเหลือสอดคล้องอย่างท่านดัมบิเขาบอกเออให้อาจจะช่วยทั้งหมดหรืออาจจะช่วยบางส่วน วท่านนบได้ให้คาสั่งสอนกับกบีซอคาสั่งสอนนีมีค่ามากในเรื่อง zakat แลวมันเกี่ยวข้องกับเรื่อง a l g o r ีโดยเฉพาะอุลามาก็จะยิบยก h a s นี้มาอธิบายอะไนี่ในจพวกว่าด้วย a l g o r i t m โดยเฉพาะท่านนบีบอกว่านี่คืออันนี้คือไฮไลท์ของ h a d นะอินนัลมสเอลลาลอิลิอกบีซอ การขอสกาศเนี่ยขอสดกอนเนี่ยไม่ฮาลัยกเว้นสามจำพวกสามจำพวกที่มีสิทธิ์ที่จะขอสการ์ละรจุล์น์ถามมลฮพมาล์ต์กอมินสกาศมีสิทธิ์ได้แก่หนึ่งคนคนหนึ่งได้แบกภาระของกลุ่มอื่น ภาษาูฟะหัตตายอัดดีฮะทุมมัยุมสิคเขาก็สามารถที่จะเรียกร้องขอสกาตจนกว่าจะได้ใช้ภาระนี้เนี่ยภาระที่เขาแบกมาเนี่ยให้หมดสิ้นและกายุติการขอสกาตไปช่วยเหลือเข้า5แสนแล้วไปขอสกาตจนคบ5แสนจบงดการขอสกาต ว่ารัจล์อัศบัติจายะตุนิตต่าห์ต์มาลห์ลัคน์อิค์ซสินของเขาเนี่ยได้ประสบกับความหายนะความเสียหายขายอะไรรถยนต์อะไรจักรยานยนขายเฟอร์นิเจอร์วันดีคืนดีเอาฟาผา ก็ดังไม่หมดเลยทรัพย์สิสนของเขานี่ศูนย์ศูนย์เสียหมดแต่อันนี้เนี่ยก็จะอยู่อยู่ในประเภทแรกนะที่เสียหายด้วยตัวเองแต่คนแรกนี่ก็คือเสียหายของคนอื่นแล้วเขาไปแบกภาระแทนคนอื่นนบีบอกว่าคนที่ทรัพย์สินของเขาเสียหายฟยอสอลูฟีฮะฮัตตียซีบะกัววามันมินไกชิน ทรัพย์สินของเขานี่เสียหายหมดเลยเนี่ยอนุญาตนาบีบอกว่าอนุญาตให้ขอซาดาก็ขอสากาัดจนกว่าจะมีทรัพย์สินส่วนหนึ่งเริ่มต้นไม่ใช่โกดังห้าสิบล้านเนะี่ยมันเสียหายหมดเนี่ยไปขอสากัดห้าสิบล้านนะใช่นะทำไมเนงว่าไปขอสากาัดนี้เออจะได้มาเริ่มทำธุรกิจใหม่นี่จะได้จะได้ฟื้นตัวได้เริ่มต้นอันนั้นอันนั้นมีสิทธิ์หรือวมีสิทธิ์ เอาสดดมิน่ายเรือบางส่วนที่จะทำให้เขาเนี่ยพอดำรงชีวิตได้อยู่ได้ซุ่งมายุมสิกุแล้วยุติการขอสการว่ารจูลอซาบัทฮูฟะกะตุนและคนคนหนึ่งได้ประสบกับความยากจนเฟสอลุกจะขอสการได้ั حتّا يصيب قوامن مِن عيشٍ จนกระทั่งได้ได้ส่วนหนึ่งของ ส่วนค้อสกัดที่ทําให้เขาดํารงชีวิตของเขาพออยู่ได้อุศไดาดำมินไอชินพอที่จะดำเนินชีวิตได้ต่อทุ้งนยุมืิกุุลยติการขอสกาดวมาซมีอะไาออื่นจากการขอสกาดสําหรับสามประเภทสําหรับสามคนนี้นี่นะตถือว่าเป็นเป็นเรื่องบาปไม่อนุญาตถือเป็นว่าบาป อ ا ق ากบีสัตว์อย่กุลห์ صاحب หุสุขแต่ z a k ที่จะขอมาเนี่ยถ้าไม่มีสิทธิ์แล้วนอกจากสามจำพวกนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นสัตวเป็นเรื่องบาปจำพวกอัล g o ริมีนแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเสียหายเกิดขึ้นจากคนอื่นเนี่ย อุลามาได้บอกกันเลอธิบายนี่อย่างกบีซานนี่เขาบอกว่ารจุลน์ตผ่ำละฮามละตนคือเขาแบกภาระของคนอื่นเขาซึ่งตัวอย่างหนึ่งที่อุลามามักจะยกตัวอย่างเนี่ยฆาตกรรมในลีลักการศาสนาเนี่ยคนที่ฆ่าคนอื่นโดยเจตนานะโดยเจตนานะถ้าทายาทของคนที่ถูกฆ่าเนี่ยไม่ต้องการที่จะลงโทษประหารชีวิตฆาตกรนะ ยินยอมที่จะจ่ายค่าชดใช้แล้วก็ให้อภัยอันนี้หล <c oughs> ักการศาสนาเนี่ยก็ได้แต่เข้าใจค่าชดมีขาตนตอนที่ค่าโดยเจตนาเนอะเอออย่างกํานัลนกนี่มีตังพอนะใจ่ค่าชดนี่น่าจะรอดนะถ้ามีหลักการศาสนาถ้ามีกฎหมายสลามเงินเป็นพันล้านนั ตายไปกี่คนนะไอคนที่ฆ่าตัวตายไม่เกี่ยวนะไอะตุ๊กตุ๊กที่บาดเจ็บที่ตายไปแล้วะไม่ใช่อรับคนเดียวทีตายนะก็คนเดียวอสมมติว่าเขาเรียกค่าชดเท่านู้นเท่านี้ค่าชดนี่อูดอูดร้อยตัวนะเซถ้าอูดร้อยตัวนี่ตัวตัวละห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งอย่างเงี้รยร้อตัวก็เท่าไหร่สิบล้านมีสิเรียกมากกว่า มากกว่านั้นมีสิทธิ์มีสิทธิ์เรียกร้อง้าก็ได้แต่ถ้าเข้าใจได้ถ้าเข้าใจได้ให้อภัยอันที่ซาอุดีนี่ส่วนมากเนี่ยไม่ใช่คนที่ค่าค่าโดยเจตนาใชไหมส่วนมากเป็นคนที่ขับรถชนอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยไม่มีประหารชีวิตแน่นอนแต่ต้องจ่ายค่าชดซึ่งค่าชดเนี่ยที่ซาอุดีนี่าตั้งกฎหมายอิสลามว่าเน่ยอู มูลค่าอุดห น, นึ่งรอยตัวเันี้ยประมาณสิบล้านกว่าบาทเงินซาอุดีหนึ่ ง, นนงก็ล้านกว่าบาทล้านกว่าเหรียญมีที่ไหนไม่มีเขาก็จะให้ติดคุกจนกว่าจะไปหาได้ทาญาติเขานี่ก็จะเตะเวนไปหาคนรวยไปหาคนใจบุญช่วยฉันหน่อ ย, ยบางทีก็ไปหายาขี่น้องเขาเองอคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ฉันไม่มีมี มีตังก็มีแค่นี้แหละถ้าขนาดไอ้แกนี่ก็นี่แหละเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีคนจ่ายค่าชดเนี่ยเดียเนี่ยค่าชดจะได้เซฟชีวิตของคนหนึ่งเพราะดากว่าคนที่เป็นฆาตกรถ้าไม่จ่ายค่าชดนี่ก็ประหาชีวิตแล้วถ้าจ่ายค่าชดในเข้าเนี่ยก็จก็ช่วยชีวิตชีวิตหนึ่งที่ซาอุดีเนี่ยค่าชดในประมาณหนึ่งเรียนะ มีอยู่เคสหนึ่งทายาทเนี่ยเขาไม่ยอมขึ้นค่าชดเ่ยถึงห้าสิบ ล, ล้านเหรียญห้าสิบล้านคูณสิบเลยบ้านเราห้ารอยล้านและมีเคสหนึ่งที่เขาเนียขค่าชดสูงพอเขาเก็บมาแล้วแล้วก็มามอกเนี่ยเขาบอกว่า ฉันให้อภัยโดยไม่ต้องการค่าชดด้วยอยากได้ผลละบุญอย่างเดียวเพราะแน่นอนคนที่ได้ค่าชดนี่ก็ผลละบุญส่วนหนึ่งก็หายไปแล้วผลละบุญของการให้อภั ย, ยนะมันกายไปส่วนมากก็จะยกตัวอย่างอุลมามะจะยกตัวอย่างนี่แหละคนที่แบกภาระจ่ายค่าชดสําหรับคนอื่นบางทีก็เป็นแบบนั้นจริงลูกเอารถไปชนชาวบ้าน เกิดความเสียหายก็ต้องจ่ายค่าชดให้พ่อไม่มีตังค์ก็ไปหาพี่น้องเขาพี่น้องค่าชดเท่าไหร่สองแสนเขาก็เก็บเก็บเก็บเก็บจนพี่น้องก็จนหมดพี่น้องหมดตัวเลยหมดตัวจะได้ไปจ่ายค่าชดให้คนอื่นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยถ้าถึงขนาดที่บางคนที่ช่วยเนี่ก็หมดตัวจริงๆก็คือไม่มีไม่มีไม่มีละไม่มีเงินที่เก็บไว้เนี่ยมันหมดละคนเหล่าเนี้ยที่ผมว่าคนเหล่าเนี้แต่ห้ำ ม, มาละวหา ม, มาละทัน แบกภาระความเสียหายจากคนอื่นเขาอันนี้เนี่ยที่อุมาใยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยเขาวินิจฉัยเขาบอกว่าเอา้าตัวอย่างนี้เนี่ยสำหรับบุคคลที่แบกภาระคนอื่นเอาแล้วจะเป็นนิติบุคคลละ่ะนิติบุคคลหมายถึงว่าองคอ์กรองค์กรแบกภาระทําหน้าที่ ทำหน้าที่ชดความเสียหายในสังคมที่มันเกิดขึ้นเรื่องทุกเรื่องที่สังคมนี่ขาดแคลนองค์กรนี้เนี่ยก็ไปช่วยเหลือมีเสียรับสการมนนั้มีเสียรับเสการเหตุผลอะไรอ่กระก็แบกภาระภาระในการช่วยเหลือในการชดใช้ในการที่จะบำรุงรักษาความแขดขาดแคลนอะไรบางส่วนที่มันเกิดขึ้นในสังคม องค์กรการกุศลทั้งหลายนี่ก็มีสี่งเรื่อเสือมกายกตัวอย่างถ้าเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นนะ่ะจะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่วนกลางของสังคมไม่ได้มีเจ้าของที่เป็นเอกชนน ะ, ะเป็นของส่วนกลางของสังคมเนี่ยอันนี้เป็นภาระแท้ๆเลยเพราะการรักษาบําบัด โรคต่างๆในสังคมนี่เป็นเรื่องเป็นเรืร่องจําเป็นจริงๆเป็นเรื่องจําเป็นและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลนี่รับจัการได้ไหเนี่รับจัการได้โมนิธกู้ภัยซึ่งของมุสลิมมุสลิมยังไม่มีและควรที่จะมีนะในสังคมมุสลิมที่มีประชากรอาศัยอยู่ควรที่จะมีองค์กรกู้ภัย เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุหรือจะช่วยย้ายคนป่วยหรือช่วยย้ายคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยบางทีพนักงานขององค์กรกูภยัยในธรรมชีมุสลิมเนี่ยเขาไม่เข้าใจบริบทไงอ่าเช่นคนป่วยเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วก็จะจะไปโรงพยาบาลเาก็เขาก็เขา้เขาไปยกผู้หญิงไปอุ้มผู้หญิงอย่างง้ ที่มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมยมงหลายอย่างนะที่มันไม่ค่อยเหมาะสมมันเป็นฟรดูกิฟายอย่างหนึ่งที่สังคมควรที่จะมีพี่น้องมุสลิมก็พยายามที่จะที่จะชดความบกพร่องตรงนี้กอ เ, เลยไปร่วมอาสาในในองค์กรกูกก้ภัยของพี่น้องต่างศาสนาอย่างร่วมกั น, นยู แล้วก็เวลาเขาเขียนป้ายเนี่ยก็เ ข, เขียนป้ายมูลนิธิร่วมการันญูแต่เป็นภาษาอังกฤษรวมกาันต์ูเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ใช่ขอมุสลิมก็ยังของเขาอ่ะล่ะนะแต่เขาอแสดงว่าอันนี้ทีมงานเป็นเป็นมุสลิมบางทีนี่เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยท้องถนนแล้วก็คนบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะเวลาถ้าพานักงาน ทีมงานไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมนีนบางที่นี่ก็เกิดอะไรที่มันไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยควรนั่นนะนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยแบบเนี้ยเป็นองค์กรส่วนกลางส่วนรวมที่กําลังแบกภาระของสังคมสังคมควรที่จะช่วยไม่ควรที่จะช่วยจากไหนอ่ะก็จะเงินส่วนกลางก็คือเรื่องสกัดนี่เป็นต้นทุกๆุโครงการ ที่สังคมขาดแคลนสังคมเดือดร้อนก็มีสิทธรับสิาขาเช่นเดียวกันภาระใหญ่ในสังคมบ้านเราในปัจจุบันภาระใหญ่ภาระที่ยิ่งใหญ่เป็นปัจจัยที่ยิ่งใหญ่การศึกษาควรที่จะมีในทุกพื้นที่เนี่ยสถาบาันการศึกษาทุกระดับชั้นการเรียนสาขาวิชาควรที่จะมี เพื่อแบกภาระให้ลูกหลานมุสลิมเนี่ยร่ำเรียนและมีโอกาสที่จะอยู่ในบรรยากาศของการเรียนรู้แบบวิสลามเพราะลำพังสถาบันการศึกษาของรัฐเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องวิชาการวิชาชีพสาขาต่ า, างๆแต่เรื่องบรรยากาศเนี่ยมันก็ยังเป็นยังยังเป็นปัญหาอยู่ ทีนี้ต้องเน้นนะองค์กรที่จะแบกภาระแทนสังคมเนี่ยและจะรับสกาตเนี่ยจะต้องเป็นองค์กรส่วนกลางไม่ใช่เป็นองค์กรเอกชนนี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่มีมูลนิธิหรือมีโรงเรียนส่วนตัว เป็นของตัวเองเป็นของครอบครัวของตัวเองแล้วก็รับสกาดจะได้มาจ้างโรงเรียนรับสกาดเงินเดือนของครูรับสกาดเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นของครอบครัวถ้าตัวเองเสียชีวิตแล้วใครจะเป็นเจ้าของสังคมไหมสังคมนี้ก็จะรัสกาดเป็นเจ้าของไหมไม่ใครเป็นเจ้าของอ่ะก็คือทายาตอัจทีไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านนาบีบอกว่าคนที่แบกคนที่แบกภาระบุคคลนนะ้าบุคคลนนะ่ะไม่ใช่องค์กรนะ ที่แบกภาราสูงด้วยเสียหายไปแล้วนี่สามแสนก็รับสากาัดแค่สามแสนและะ้วก็จบยุมสิกุจบละแต่นี่ถ้าเป็นองค์กรแล้วนี่ก็จะรับสากาดเงินต่อเนื่องมันมีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเ น, นื่นาาองอนนถ้ามีความต่อเ น, นื่องแบบนี้นี่นะไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอาแค่นี้แล้วก็หยุดไม่ใช่เราสมมุติว่าเป็นเป็นโรงเรียนเอกชนแต่เขาประกาศบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเด็กกำพร้าหรือมีเด็กแยกไร อยู่ห้าสิบคนเขาต้องการค่าเล่าเรียนงบทั้งหมดนี่ประมาณสองแสนอ่ะกี่นั้นใครจะบริจาคจะให้สการ์นี่งบใครกันงบเฉพาะกิจอันนี้นะรับสการ์ได้นะเป็นเอกชนนี่ก็ได้เป็นเอกชนนก็ไ ด, นนได้แต่จะรับสการกว้างๆรว ม, รมภาพรวมแล้วเอาสการนี้มาใช้จ่ายในในทรัพย์สินส่วนตัวนี่อันนี้เนะี่ย ไม่ได้มันคุ้มเรินที่พูดแบบนี้นี่เพราะมันเริ่มเริ่มมี ม, มีเยอะมีเยอะรับบริจาคมาสร้างห้องสมุดให้ตัวเองรับบริจาคมาสร้างมาสร้างห้องเรียนโรงเรียนของตัวเองอันนี้มันไม่พิถุกต้อง ว่ความโปร่งใสขององค์กรต่างๆนี่ที่จะต้องที่จะต้องจําแนกชัดเจนเลยนะคนที่ทํางานในองค์กรนี่จะต้องไม่มีส่วนส่วนได้แม้แต่น้อยในทรัพย์สินขององคอ์กรไม่มีไม่มีสิทธิอะไรอภิสิทธิอะไรพิ ธ, ธิ์ของใครก็ของมันคนทํางานอย่างเง้ยมีรถนี่รถส่วนตัวของคุณแล้วก็มีรถขององคอ์กร ม, มีเกี่ยวทรัพย์สินก็เช่นเดียวกัน สัพสินขององคอ์กรสัพสินส่วนตัวก็ต้องแยกให้ชัดเจนไม่ใช่ว่ามามาใช้กันแบบแบบปัญหานี้พูดทุกทีพูดที่ไหนนี่ก็ออกมาเป็นแผลเลยนะบัดเจ็บเพราะบ้านเราหนีแผ่นดินสยามนี่เกือบทุกองค์กรเนี่ยบริหารแบบระบบครอบครัว ก็เกิดลูกกิดเขยกับสะพายก็ทุกน์ทุกข์พันไปหมดเลยและถึงระบบการศึกษามันไม่ไดพัฒนาเพราะในเมื่อทรัพย์สินถูกบริหารด้วยระบบครอบครัวนี่ระบบครอบครัวนะบริหารนะผมไม่ได้บอกว่าครอบครองนะพราะที่ประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยครอบครัวก็ครอบครองนะแต่เขาไม่บริหารนะทําไมทายาทในบริหารไม่เป็นเขาต้องจ้างคนเป็นมาบริหาร แต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยคนที่บริหารเนี่ยต้องเป็นคนในครอบครัวคนจะเป็นผู้จัด ก, การเป็นผอต้องเป็นคนในครอบครัวแต่เขาบริหารไม่เป็นต้องเป็นผู้บริหารแล้วก็ไม่เป็นล่ะมันก็เกิดความเสียหายแน่นอนคนนอกที่เป็นน่ยมีความสามารถที่เป็นฝ่ายบริหารไม่ได้มานี่ยก็อะไรก็ให้พอให้คำปรึกษาเขาจะเอาไม่เอาเนี่ยนี่ก็แล้วแต่ การบริหารองคอ์กรส่วนรวมของบ้านเรานี่มันก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเอามาวางบนโตะ๊ะมาสนทนาพูดคุยแล้วก็ตักเตือนพัฒนาแก้ไขทำให้ปัญหาของสังคมของเรานี่มันก็วนอยู่กับที่พี่พ น, น้องแม้กระทั่งองค์กรสำคัญที่สุด เป็นสังคมมุสลิม ม, ม้ศมุขคนสมุขันธิสุขเป็นบรดกลูกอิหมากก็เป็นอิหมากลูกคอเต็บก็เป็นขอเต็บลูกบิหลันก็เป็นบิลนันลูกคณะกรรมการก็จะเป็นก็จะเป็นกรรมการลามไปถึงสถาบันการเมืองเป็นบรดกหัวหนาา้าพักตายแล้วขายเป็นหัวหนาา้า ลูก่านหลานเธออย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่ลูกอาจจะหลานอาจจะอาจจะพี่น้องน้องชายอะไรอย่างงี้ยแล้วตรงคนในบริวารคนในในวงวานในสายสกุลทีในพักการเมืองก็มีคนเก่งคนคนเลิศคนเยี่ยมแต่แต่ไม่มีไม่มีสายเลือดของผู้ก่อตั้งไม่มีสิทธิ์ที่จะที่จะเป็นหัวหน้าพักที่จะเป็น นี่พูดถึงส่วนมากนะบางทีทายาตก็ไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยแต่เน่งจะว่าเป็นทายาตนี่ก็ต้องต้องโชตัวต้องโชตัวหูเยอะแล้วงพี่น้องกงเห็นกันนะละครที่เราเห็นกันทุกวันคนเห็นกันมันกุ้มใจนี่ว่าคือสังคม สังคมใหญ่นี่พูดถึงในสังคมในประเทศทั้งหมดเลยเนะี่ยปัญหานี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะแต่แค่คิดในในสังคมมุสลิมปัญหานี้มันก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันปัญหาที่เราไม่มอบงานให้ผู้เชี่ยวชาญหวงทรัพย์สิสนจะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินส่วนรวมนะห่วงอย่างมัสยิดนี่มัสยิดนี่เป็นของส่วนรวมมัสยิดส่วนรวม แต่ตำแหน่งอิหมามนี่หวงต้องเป็นลกูกได้ยินมากระหูเลยมาสยียดแห่งหนึ่งที่เคยอยู่ตําแหน่งอิหมามขเขาเต็มนี่ต้องเป็นสองตระกูลนี้ตระกูลอื่นไม่ได้แต่ก่อนนู้นเคยได้รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เชื่อเขาก็ได้ยินมากระหูนะถ้าไม่ใช่สองตระกูลนี่เนี่ยได้ ครอบครอ ง, องตําแหน่งนี้เนี่ยมาโดยตลอดเอาแล้วก็จะช่วยได้ไงอ่ะกัลูกหลานของสอตระกูลนี่ไม่มีแล้วไม่มีคุณสมบัติแล้วทำยังไงก็ต้องเป็นสุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นอิหมามเน้น่ว่าเป็นเป็นลูกของอิหมามเดิมเป็นลูกของคนที่ว่ากับสี่ดินเป็นลูกของคนที่บริจาค สั่งมาสิหนะอต้องเป็นอิหมาม่แต่เขา อ, อ่านกุฎอ่านไม่เป็นนะมิสมิลลาอิลอมาอิลอฮิมเกินมาอ่านอิหมามแบบนี้เนี่ยสองซับนี่จบเมืองนอกและอิมามอ่านกุฎอ่านไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมีแอพิสิตปัญหาใหญ่นะอาอแต่เรื่องนี้สมยัยสมยัยท่านด บ, บี้นี่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนสมัยซฮ oh ah. าบ้างซฮาบทุกคนนี่ก็มีลูกชาย แต่เอาบักคนเดียวนี่เป็นคอลิฟ้าท่านแรกนี่นะไม่น่าจะพลาดนะคีลาฟ้านี่ไม่ไปถึงอุมัดแล้วลูกหลานเอาบักนี่เยอะแยะไปหมดแต่ทําไมอ่ะในอิสลามนี่มีชูรอชูรอหมายถึงว่าสังคมเนี่ยต้องระดมสมองเลือกบุคคลที่เหมาะที่สุดเช็กเช่นที่เราปรชุมกันแลก้กระดมสมองจะได้เลือกทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานในการ ดำรงกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆ ต, ต, ต้องเลือกชูรอนี่คัดเลือกความคิดดีคนที่ดีที่สุดถ้าหากว่าสืบท อ, อดกับสายเลือดทางถายญาตอย่างเดียวนะ่ก็ะไม่ต้องมีชูรอจบไม่ต้องมีชูรอเลยแต่สังคมเป็นแบบนี้นะมีกรรมาการไว้ทำไมและในเมื่อสืบท อ, อดทุกตำแหน่งเนี่ยกับสายเลือดผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก ไมโครซอฟทแปเปนี่เงินเดือนของเขาเนี่ยมากกว่ากําไรของทายาทเจ้าของบริษัทคนที่ครอบครองถือหุ้นน่ะนะแต่เขาครอบครองแต่เขาไม่บริหารบริหารไม่เป็นนะ่ะเขาก็ต้องจ้างคนเป็นมาบริหารและคนที่บริหารเป็นนี่นะเขาทั้งเงินเดือนทั้งกําไรโบนัสของเขานี่นะมากกว่าทายาทบางคนด้วยซ้ำบอกว่าอย่าไปหลงนักไอบอลเนี่ ย, มยไม่ได้รายได้ดีที่สุดนะ แต่ได้ที่สุดนี่ก็คือฝ่ายบริหารบริษัทยักใหญ่ระดับลกูกบริษัทอสังหาที่มาซัมบริษัทไอทีนั่ น, นงเงินเดือนเาเงินเดือนมหาศาลเขาเคารพในความเชี่ยวชาญเขาไม่สนใจแล้วใครจะเป็นลูกใครก็จะไม่สำคัญเท่ากับเอาคนที่เหมาะสมที่สุดในตำแหน่งเนี้มาบริหารจัดการ ฉะน้นวันเราก็ริมีนะก็คือสรุปแล้วคนที่มีความเสียเกิดความเสียหายนี่มันมีความเสียหายบางอย่างที่อาจจะเกิดความขัดแยงความเสียหายที่มีสิรับสการมันมีความชอบนี่หมายถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องบาปมันไม่ใช่เรื่องบาปแต่มันไม่ใช่เรื่องจำเป็น ไม่ไม่ใช่เรื่องบาปแต่ไม่ใช่เรื่องจําเป็นเช่นทุนการศึกษาอย่างงี้ทุนการศึกษาถ้าใครอยากจะเรียนว่าเรียนสูงจะเรียนเป็นเนื้โทจะเรียนเป็นเนื้เอกมันไม่บาปถ้าถ้าวิชาที่เขาจะเรียนเนี่ยเป็นประโยชน์สาหรับสังคมมันไม่บาปแน่นอนแต่มันจําเป็นไหมมีสิทธิมีสิทธิ์ที่จะรับสการ์ดไหมมันเป็นความรู้ที่จําเป็นไม่พื้นฐานที่ ควรที่จะต้องจาเป็นต้องมีไหมหรือมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยอันนี้มีเสรีภาพสากไหมที่จริงแล้วเนี่ยความรู้ทุกระดับลรจะระดับปริญญาตรีโทอเอกเนี่ยสังคมต้องการทางนั้นนะต้องการท้งนั้นเช่นหมออย่างเดียดูดีหมอหมอถ้าเรียนเฉพาะปริญญาตรีอย่างเดียวนะมันก็ได้ ได้อายุรกรรมรักษาทั่วไปก็จะไม่เชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นอื่นถ้าจะเจาะเป็นหมอตาเป็นหมอมะเร็งเป็นหมอเฉพาะหัวใจโรคหัวใจอันนี้ก็ต้องเรียนสูงมากกว่านั้นจําเป็นมไหมละ่ะมันก็ต้องมีความจําเป็นอยู่ดีแต่สําหรับสําหรับตัวหมอเองนะ่ะไม่จําเป็นแต่มันอาจจะจําเป็นสําหรับสังคมในมุมอื่นๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นเงินสกาดอย่างที่บอกเงินสกาดเนี่ยมันจำกัดแต่ความต้องการของในสังคมมานะค่อนข้างไม่จำกัดเวลาเรามาแจกใจสกาดเนี่ยเราก็ต้องดูลำดับความจำเป็นก่อนคนมาขอสกาดไม่มีจะกินกับคนมาขอสกาดไปเรียนอันนี้ก็ต้องลำดับมีเงินอยู่แค่เนี้ยฮะหรว่ามีเงินอยู่ล้านนึง แต่บอกก็ว่ า, กวาเกิดภัยพิบัติอะไรสักอย่างเนึ่ไม่มีจะกินล้านหนึ่งเนี่ยจะไปซื้อของกินให้เขากินหรือไปให้ทุนการศึกษาให้เขาเรียนลาดับแบบนี้คนที่บริหารเงินสา ก, กัดานี่ก็จะต้องดูต้องดูความเหมาะสมโดยรวมแล้วอย่างที่บอกก็จำพวกที่มีสิทธรับสกาดทั้งแปดจำพวกนี้ แน่นอนอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาเลไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันมีแค่จำพวกที่ถูกกระบุโดยเนะื้อหาทางวาจาทางทางถ้อยคำที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาเได้ระบุไว้ในอายานี้แต่จากการปฏิบัติของท่านน บ, บีแล้วสฮาบะแล้วก็ปราชมุสลิมตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยเราได้พบว่าแปดจำพวกนี้เพียงเป็นตัวอย่าง เอออันนี้คือข้อสรุปสําคัญนะแต่จะพวกนี้มันไม่เชื 1, 2, 3, อ่อหนึ่งสองสามสี่อาคนยากจนหรือคนยากจนในบ้ยากนคือมันมันมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ตัวอย่างตัวอย่างของความยากจนคนในบางคนเนี่ยยากจนเนี่ยไม่ได้ยากจนด้านการกินกินเนี่ยเขามีจะกินแต่เขายากจนด้านรักษาพยาบาลพยายามไม่ได้พูด แต่ก็ยังงั้นจริงถ้าจะถามเรื่องอาหารการมีมีจะกินแต่มีจะซื้อยาไม่ไม่มีซื้อยามีจะกินมีจะซื้อยาแต่ไม่มีจะเลี้ยงลูกๆไม่มีจะจ่ายค่าเทอมอันนี้ก็จนอีกอย่างหนึ่งอีกอีกมิติหนึน่งซึ่งถือว่าอยู่ในประเภทยางตัก็อยู่นี่ก็ถือว่าจ น, จนชนิดหนึ่งจนระดับหนึ่งเวลาไมลีนอะไรฮคนนี้ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในการในการเก็บสกัใจก า, ายคกาับแล้วก็คนที่เป็นนักบัญชีอะทำถูกระบุไหมไม่ได้ถูกระบุโดยโดยแหล่งอักษร น, นะอา่าเป็นคนคิดเลขเป็นนักบัญชีที่จะคิดสกาดนี้ไม่มีแต่แน่นอนเขา ง, งานสกาดนี่ต้องมีบัญชีการเงินต้องมี มีสิทธิ์ไหมถ้าเขาอาศันี่มีเสียรำสการ์ก็มีเสียรัำสการ์อย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างของแปดจำพวกนี้แต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละพื้นที่แต่ละสถานที่นี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเอลักษณะความยากจุนลักษณะความยากจุน บ้านเราเนี so kind of ans, so the the ่ยคนยากจนบ้านเราเนี่ในเมืองไทยกับคนยากจนที่แอฟริกาน่ยนะก็คนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันแระถึงว่าคนบ้านเรานี่นะสำหรับแอฟริกาเนี่ยถือว่าเป็นคนคนมีฐานะคนมีฐานะแต่คนยากจนบ้านเรากับคนจนที่อเมริกาและกัยุโรปนี่นะอันนี้ก็คนละระดับเลยแม้กระทั่งมาตรฐาน ยากจนของประชาชาตินี่มาเทียบแล้วกับความยากจนมาตรฐานบ้านเราเนี่มันก็คนะระดับกันนี่เราก็จะมันจะไม่มีมาตรฐานตายตัวเพราะความเดือดร้อนความขัดสนของแต่ละพื้นที่แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยผู้ศรัทธาที่จะปฏิบัติตัวแม้ว่าจะเป็นคนที่มีหน้าที่ต้องอสอ ก, กากหรือคนที่มีสิทธิ์รับสกาดเนียก็จะต้องศึกษาเรื่อง ทั้งสองกลุ่มนะคนที่จะออกสการไม่มีความรู้ก็ต้องศึกษาแล้วต้องถามผู้รู้คนที่มีศิทรับสการไม่มีความรู้เนี่ยก็ต้องศึกษาแล้วก็ต้องถามผู้รู้คนที่ใจสการนี่ใจสการที่ใครคนนี้ถือว่าได้ไหมมีสิทธิ์ไหมต้องปรึกษาต้องศึกษาให้ดีคนที่มีสีทรับสการนี่ต้องปรึกษาถ้าไม่มีความรู้นะตัวเองไม่มีความรู้นะต้องศึกษาต้องถามมาผมมีสีทธรับสกการไหมผมนี่แบบนี้แบบนี้นี้มีสิทธิ์รับสกการไหม จะได้รับสกัดด้วยความสบายใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะสุดท้ายนี่นะครับเรื่องสกัดนี่ต้องเข้าใจนะว่าการออกสกัดนี่มันเป็นมันเป็นอัตราหมายถึงว่าคนมีพิกัดแบบนี้คนต้องออกสกัดล่ะไม่ได้หมายรวมว่าคนที่มีน้อยกว่านี้คนที่มีน้อยกว่านี้ ไม่ให้ออกบางคนเนี่ยเข้าใจว่าไม่ให้ออกหมายถึงว่าออกไม่ได้ถ้ายังไม่เข้าออกได้เขาจะคือคนส่วนมากเนี่ยเขาจะเข้าคำว่าถ้าไม่ควบพิกัดไม่ต้องออกสกาศใช่ป่ะแต่ที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจตามสำนวนนี้ไม่ต้องออกสากาศนี่หมายถึงว่าออกได้แต่ความประพฤติของเขาเนี่ยไม่ต้องออกสากาศนี่คือออกไม่ได้คือเขาไม่ออกเลย นะบางคนบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยไม่ได้ออกสกัดทั้งชีวิตเลยทำไมอ่ะไม่เคยคบพิกัด <c oughs> คือมันไม่ต้องคบพิกัดที่จะถ้าท่านไม่ครบไม่คบพิกัดนี่ก็สามารถออกสากาัดได้ออกสกัดนี่เจตนาว่าส่วนที่ฉันออกเนี่ยเพื่อจะได้ชําระทรัพย์สินของฉันถึงแม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามมีสิทธิสามารถออกสกัดได้ไม่จําเป็นต้องครบพิกัดและอย่างหนึ่งไม่จําเป็นต้อง ไม่ต้องไม่จะเป็นต้องครบรอบปีไม่ครบรอบปีที่จริงนะอเลมาบางท่านบอกว่าที่จริงเนี่ยถ้าจะให้ออกสกาดจนกว่าจะครบรอบปีนี่นะออกยากทำไมพรเงินที่เราได้ถือกรรมสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้ครบรอบปีทั้งก้อนไงเราไม่ได้เงิน เราไม่ได้เงินก้อนเดียวแล้วกับมันกอ็อยู่ก็อยู่ใจอยู่กับเราตลอดชีวิตนะไม่ใช่เงินหนึ้าแล้วกับเดี๋ยวเดือนห้าก็เข้าเดี๋ยวเดือนหกก็เข้ า, ข า, ขาเดี๋ยวเดือน เ, เจ็ดก็เข้ า, ขาและแต่ละก้อนที่มันเข้าเนี่ยเราก็นับรอบปีของมันใช่ไหมและ้วจะออกสากาศยังไงถ้าจะออกสากาศทุกเดือนเลยเนี่ยอัลลมาก็เลยบอกว่านับทั้งก้อนเลยถึงแม้ว่ามีบางส่วนเนี่ยไม่ครบรอบมันนะก็ให้นับกับก้อนใหญ่ไปเลยถือว่าครบรอบปีทั้งก้อนเลย นั่นหมายรวมว่าอยู่ดีๆเนี่ยคนที่ออกสากาศแทบทุกคนนี่นะไม่ได้ออกสากาศครบรอบปีทุกส่วนของทรัพย์สินของเขาถูกต้องไหมมีบางส่วนที่ไม่ได้ครบรอบปีแ น, น่นอนเช่นเดียวกันถ้ามีความจำเป็นที่ต้องออกสากาศในช่วงหนึ่งและยังไม่ครบรอบปีคนบางคนเข้าใจว่า้ยออกไม่สระกัดต้องต้อ ง, องรอร้อยหนอยรอมือนในครบรอบปีซะก่อนไม่ออกก่อนก็ได้สมัยท่านนายบีซอสแล้วก็เคยรับสากาศล่วงหน้าสมายที่เม่าก่ อ, กอน กนเวลาออกอากาศอันนี้สําหรับคนที่ออกอากาศสําหรับจำพวกมีสิ ร, รับอากาศคําว่ามีสิ ร, รับอากาศ ไ, ไม่ได้หมายความต้องรับอากาศนะขุกลมที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺฮสุสบฮฺไพระน์อัลลอสรรสริญบรรดาผู้สตร์ถึงมีสิ ร, รับอากาศแต่ไม่รับอากาศดีกว่าซึ่งสําหรับตัวท่านนาบีแล้วก็ อยาตระกูลนบีเบนิฮาชิมเลิกกับ ح ي ا ท่านนบีท่านนบีทำเลยทำไม่รับ z a k a และท่านนบีให้เหตุผลซึ่งเหตุผลนี้ควรที่จะถูกสํานึกสําหรับคนทั่วไปที่เขาจะรับ zakat ท่านนบีเห็นอัลฮัสันหลานของท่านนบีกำลังหยิบอิพลัมที่เป็น zakat นั่นหยิบจะกินท่านนบีก็เลยบอกว่าแกกินแกกิน กขินซารับก็ขินเนี่ยแปว่ายี่นีกกอินเนมัสอินเนมัสซัลตะกัตุเฮียอุซาคนนสแท้จริง z a กา t นี่ก็คือก็คือเงิ น, งนชาระไงะคนที่ออก z กา a t นี่เขาชาระทรัพย์สินของเขาทรัพย์สินของเขาจะได้สะอาดแสดงว่าส่วน z a กา t นี่มันก็คือส่วนที่ส่วนที่มันไม่ดี แล้วสกันี่หมายถึงว่าตัวทรัพย์สินของเจ้าของเนี่ยมันมั น, ม, น, ม, นมันบริสุทธิ์ไปแล้วแต่ตัวสกัดนี่นะมันก็คือที่เขาหักจะได้ชำระแสดงว่ามันเป็นส่วนที่ไม่ค่อยดีถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าเอาเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีสิทรับสกาัดไม่ดีมาร่วมว่าต้องเอานะหรือไม่ไดีมาร่วมว่าเออเอาแล้วสบาย เ, ยเาไปเลยเต็ม <c oughs> ที่เลยไม่อูตส่าก็ต้องมีวาระ พอ ม, มองว่าเงินสกาัดนี่ถ้ามีคนเขามีสิทธิ์คนอื่นเขามีสิทธิ์แล้วก็เราไปแย่งสิทธิ์ของเขาแล้วเขามีสิทธิ์มากกว่าเราอะนะเออเท่ากับเราทําบาปแล้วนะฉะนั้นถ้าไม่มีความจําเป็นมากเลยนะ่าเราพยารับสกาดถ้าเรามีทางออกที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านการเงินนะ่ะนะแล้วไม่ต้องพึ่งพาเรื่องสกาดนี้ก็อย่ารับสกาดดีกว่าเอาเราเสนอเสนอบรรดาผู้ที่ ไม่แบมือรับสกาดและยาสานุนั mm ้นนาสอิดาเขาจะไม่เป็นคนที่ขอทานชอบขอทานจากผู้อื่นขอทา น, นี่หมายถึงว่ารับสกาดรับสกาดให้ตัวเองนะ่นะไม่ได้เป็นประเภทนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่ควรเผยแพร่เผยแพร่ในบ้านเราแต่มันไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเผยแพร่ทำให้คนเยอะเนี่ย เข้าใจว่าเออเรื่องส ก, การนี่เป็นอภิสิทธิ์ถ้ามีสิรับส ก, การ์นี่ขอได้เลยขอซึ่งหน้าไม่ไ ม, ไม่เกรงใจไม่ละอายไม่อะไรซึ่งมันไม่ใช่ตามมารยาทิสลามเนี่ยการขอทานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าดังเกียรดการขอสา ก, การ์นี่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมสมควรสําหรับผู้ศรัทธาทุกคนนะไม่จำไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รู้หรือเป็นคนที่มีตระกูลมีชื่อเสียงที่จะอายไม่ใช่นะมุสลิมทุกคนผู้ศรัทธาทุกคน ควรที่จะละอายใจเรื่องสกาดเนี่ยเรื่องสกาดเนี่ยไม่ควรที่จะแบมือขอคนอื่นไม่ควรที่จะที่จะขอทานแบบเปิดเผยอันนี้มันไม่ค่อยสวยงามนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับพี่น้องสําหรับอายะห์60ที่ึ่งใช้เวลาเยอะพอสมควรต้องขอม า, อาด้วยนะครับแต่มันเป็นความรู้ที่ใกล้ตัวมากสําสหรับคนเราทุกคน ก็ครึ่งหนึ่งพวกเราครึ่งหนึ่งเป็นเสตีแล้วก็ครึ่งหนึ่งมีเสียรับสากาัดใช่ปะ่ะเอออย่น้อยเนี่ยก็ก็แบ่งความรู้ไปปฏิบัติกันกันนะครับมีคําถามไหมครับสากาัดเลยเรียกว่าสากาัดหมายถึงว่าถ้าครบรอบนี้ไม่ต้องออกอีกแล้วในกรณีที่เงินไม่เพิ่มแต่ถ้าเงินมันเพิ่มนี่ก็ออกส่วนที่เพิ่มอ่าเช่นอ่าปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ย อ่าผมมีล้านหนึ่งก็แล้วผมจะออกเดือนรัมดดอนใช่ป่ะร้านหนึ่งก็สองหมื่ห้าสมมุตินะครับแล้วก็ประกาศเดือนรัมดดอนอ่านี่นีเดือนรบิเออร์อวันนี่ผมจะออกก่อนมีความจําเป็นมีคนอยากจนจําเป็นต้องออกเดือนนี้นี่มา <c oughs> ออกได้สองหมืนห้าพอมาถึงรัมดดอนร้านหนึ่งมันมันเหมือนมันเหมือนเดิมมาแนะ่ก็ไม่ต้องออกหละยร้านแต่สมมุติว่าร้านหนึ่งมันขยายแล้วก็ทํากําไรมันก็กลายเป็นสองล้านอะต้องไปออกอีกสองหมืนห้าออก ออกเป็นสกัดนะที่ออกก่อนหน้านี้ก็ออกเนียเป็นสกาดน ะ, ะแล้วก็มันก็ใช้ได้สําหรับสําหรับปีนั้นทั้งปีเลยไม่ต้องออกสกาดก็เหมือนคนที่ออกสกาดเงินเดือนไงมิซีถ้าเขาออกสกาดในเงินเดือนของเขาอ่ะนะถ้าสิ้นปีนะั้นก็ไม่อกแล้วจบแล้วเพราะเขาออกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเเสส่าาาาใใหห้้้กกร ร, รบอบวลมันก็ได้ถ้าเรา ให้สอดให้สกาดแล้วก็เชิญชวนดาวานเนี่ยได้ไม่ใช่ได้เนี่ยก็ถือว่าดีมีให้สกาดนี่จะได้จะได้ชใช้ในแนวทางที่ดีนะแต่เห็นตัวเองสูบุรีนี่ไม่ไ ม, ไม่อนุญาตนี้เอาเงินสกาดนี่ไปสูบบุรีนะได้ผมว่ายิ่งกว่านั้นนะนะถ้าหากว่าเป็นคนที่แบบว่าเราไม่มั่นใจไม่มั่นใจในความในความรอบครอบของเขาเนี่ยมายกว่าเป็นคน เด็กง่ายเนี่ยก็เป็นคนที่สติเขาเนี่ยไม่ใช้ใช้ตังค์ไม่เป็นนะถ้าให้สการนี่ ก, ก็ก็ไม่สนใจหรอกก็ไปซื้อบุหรี่แน่นอนแล้วถ้าแบบนี้เนะี่ยก็ให้คนอื่นเขาจะได้บริหารบริหารให้รูเรลมาบางท่านเขาบอก่าอนสุสวงว่าคนคนแบบนี้จริงๆนะนะไม่ต้องสการเนี่ยไปซื้อของจำเป็นที่ที่จะดำรงชีวิตได้เขาจะได้ไม่มีโอกาสเอาเงินไป นี่กรณีถ้าเขาเป็นคนแบบว่าคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วนะก็เป็นไปได้อย่างเช่นคนคนติดยาอย่างเงี้ยถ้าให้ตังค์เขาเนม่จบเลยจบแน่นอนแต่เขาเป็นคนยากจนก็ต้องต้องมีมีรายได้จะเรื่องการกินรักษาพยาบาลก็ต้องมีเราทำยังไงก็ต้องก็ต้องเอาสากาัเนี่ไปบริหารให้เขา อ, อาหารกินนะ่ะองอาหารให้เข เราจะรักษาพยาบาล้องให้คนพาไปดึงกระไกลต้างๆแม้กระทั่งคนที่ไปกู้เงินนอกระบบแงเนี้ยก็ให้สกาดเขาบอกว่านี่นี้ให้สกาดจะได้ช่วยจะได้เคลียร์ตัวเองแล้วก็ห้ามนะไมปไปยุ่งกับระบบดอกเบี้ยอีกแล้วนะถ้าถ้าเราพอที่จะเชื่อเขาได้ว่าเขาจะแก้ไขปัญหาตัวเองก็หายได้แต่เตือนนอกสิทนี่ถึงจะไม่มีสกาดนี่ก็ควรที่จะเตือนนะ ถึงจะไม่ให้สการดแล้วก็รู้จักคนที่สุบุรีนี่เลิกบรีนะไม่ต้องรอให้สการ์ดก่อนนะ